บุ๊กทูยี่สิบสองีการสนทนาสามสมอลท็อกคุณสูบบุหรี่ไหมครับรยือดูผมเคยสูบครับใหญ่ฮากอเต แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วเมนมุรย อ, อย่าอีกเมีย ร, รบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่เนียรไหนวิชายรไม่เลยครับไม่แอบส์ลูตเอกมันไม่ได้รบกวนผมครับที่เนียร์ม่อีก คุณจะดื่มอะไรไหมครับแค่โน้ตอะ ด, ดริกเบรนดีไหมครับอินคอนยักไม่ครับผมชอบเบียร์มากกว่าไนเฮลเลอร์ร่อยอินอัลคุณเดินทางบ่อยไหมครับเรย์เซอร์ดูมาดบ่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจใช่สำหรับีส่วป่อแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนแต่รามาพร้อนแต่ตอนนี้เรามาพักร้อน่ามันอี้เรามาพั่วอรัร้อน อ, อนี้ร้อนจ่รางๆนี้เ่าอรอราม่ันนี้ร้อนร เราไปที่ระเบียงกันเถอะลาดอสก์ก็ออกไปบนอัลทาน์นพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่อิโมน์จะมีงานเลี้ยงคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับขอมาด้วยก็ได้ครับพวกเราได้รับเชิญด้วยใช่เราถูกเชิญด้วย